แล่ววันนี้เป็นวันที่ส4สิงหาคมพุทธศักราช2557วันนี้ผมนิมนต์เรียกไปชุมเป็นกรณีพิเศษในระหว่างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาผมกันิมนต์หมู่พวกเพื่อนมาประชุมในระหว่างแปดคำ่ำส5บห้าค่ำแต่วันนี้ก็เป็น ช่วงแรมเดือนเก้าเดือนแรมสองข้าหรือสามข้าเดือนเก้าแต่ทึ้งยังไงก็ตามนะพวกลูกมูพวกเพื่อนทุกองที่อยู่ในฟันษาสำหรับผมเองผมก็ไม่ได้ถือว่าหนักใจกับพวกลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นพวกท่านทั้งถือว่าผมเป็นอาจารย์ ผมไม่ได้หนักใจผมมีแต่ว่าจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรที่จะให้พวกลูกๆน้องๆของผมน่ทุกสิทธิลูกหาของผมเ่เจเริญศีล ส, สมาธิปัญญาให้เป็นผู้รอบคอบให้เป็นผู้รอบรู้ให้เป็นผู้ผได้กาไรที่มาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะมาบวช มีเวลาน้อยก็ให้กำไรได้กำไรอย่าให้ขาดทุนแต่ถ้าผู้ที่จะอยู่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาก็ให้เป็นผู้เชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวของเราเชื่อมั่นในการประพุตปฏิบัติของเราถ้าว่าพวกเราเข้ามาปวดชั่วครั้งช่วคราวสามเดือนอันนี้เราก็เออ เรารู้แล้วว่าเราจะบวชเพียงสามเดือนก็จะให้หมูพวกเพื่อนน้องนุ่งลูกหลานเหล่านี้อีกเหมือนกันให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมไนินแล้วก็พร้อมกันก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติจะได้ไม่ขาดทุนจะได้ไม่ขาดทุนในการเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันจะขาดทุนนะขาดทนุนขาดทุนอย่างมากถ้าคิดในการเป็นอยู่แปลว่าเข้ามาอยู่แล้วไม่ได้กําไรแล้วยังประมาทยังไม่เชื่ อ, อแล้วก็มาอยู่ทำไมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องให้มาอยู่เพื่อการศึกษา แต่เข้ามาอยู่แล้วเราก็ยังกาลากระชังไม่เชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อมั่นในการเป็นอยู่ของพวกเราอีกสิ่งเหล่านี้ผมว่าขาดทุนนะนะนะเพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษาในจุดนี้ให้มากนะอย่างที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกตอนเช้าบางทีคนเน้นในแนวความคิดคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิ คิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิทำยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิทำยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิพูดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือผิดสัมมาทิฏฐิคือถูกถูกกับผิดมันอยู่ในตัวของพวกเราเพราะนั้นหลวผมเองจะไม อยากพยายามหรือพยายามพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจในทางที่ถูกต้องอันไหนที่ถูกต้องผมจะพยายามหาข้อมูลหาเหตุผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจะเป็นเรื่องศีลก็าตามหรือกดระเบียบการอยู่ด้วย ก, กวันก็ตามหรือเป็นคดีโลกก็าตามหรือเป็นคดีธรรมคดีโลกคดีธรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับผมก็พยายาม เอาอ้างคดีโลกคิดอย่างนี้อย่างนี้คดีทำเปอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือแนวความคิดในการเป็นอยู่คดีโลกคดีทำอันนี้ก็เรืองคือเรื่องศีลเรื่องการเป็นอยู่ทั้งเป็นฝ่ายพระทั้งฝา่ายคราวาสเมื่อเป็นครวาสเป็นยังไงเมื่อเป็นพระเป็นยังไงในการวางตัวของพวกเราต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นยังไง วางตัวต่อหมูพวกเพื่อนวางตัวต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางตัวต่อผู้มีอุปกรณคุณเหล่านี้เป็นตน้นผมก็พยายามพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดนะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายทิ้งท่กคนจะเป็นผู้รู้รู้มาก่อนก็ตามแต่ผมคิดว่า ผมก็ต้องตั้งใจใว่าพวกท่านอาจจะไม่รู้ไว้ก่อนะตั้งความในใจว่าพวกท่านอาจจะไม่รู้ไว้ก่อนแต่ถ้าว่าสอนคนที่รู้นะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ตั้งใจว่าพวกท่านอาจจะไม่รู้ถึงอาจจะรู้ก็ตามทั้งรู้รู้แต่ก็ไม่อยากจะรู้อย่างนั้นก็มีก็เพราะเหตุรเพราะว่ากิเลสภายในใจของแต่ละคนมันปิดบงัง อันนี้คือจุดนี้คือจุดหนึ่งถ้าว่าได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนแนวความคิดกิเลส ต, ตัวนั้นหรือว่าเมฆหมอกตัวนั้นอาจจะ เ, เจือจางหายไปในจิตใจของเราได้ในระดับหนึ่ง อ, อย่างที่ผมเคยพูดว่าเอา๊ะทำไมใจของผมระบาใจของผมเองเนี่ย ทำไมชอบประมาทคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น่อะอพอเห็นเขาไปแล้วมันประมาททันทีอผมก็บอกว่านี่แหละจิตใต้สัมเนธจิตประเภทนี้จิตหมาบ้าเอมันกัดไม่เลือกกระ ด, ดาไปหมดจิตประเภทนี้อย่าไปไว้ใจอย่าไปให้ความสำคัญเพราะเหอะไรเพราะมันเป็นจิตหมาบ้า แต่มันกัดไปหมดมันไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำมันปลาหมาดกระทั่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงประมาททั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นใครแล้วมันปลาหมาไปหมดอันนี้นจิตประเภทหมาบ้ามันชอบกัดไม่เลือกแต่มจิตประเภทนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงผมก็บอกว่าเมื่อจิตประเภทนี้มันออกไปเพ่งพานไปกัดใครไปกัดคนที่ไม่เลือกนา เราก็ต้องย้อนมาหาเอ้ยแก่มีดีอะไรดูเถคุณงามความดีของแก่มีอะไรเหนือเหนือท่านอยางนั้นใช่ไหมถ้าว่าไม่เหนือท่านถ้าเราไปประมาทท่านอย่างนั้นถ้าเราไม่ว่างโง่เราจะว่าอะไรห้อใจเราโง่มากอย่างนั้นจะไม่ใจเรามีกิเลสโลบโกรธหลงจนคร่วมมิดปิดตาตัวเอง จนมองไม่เห็นอะไรเลยจมเป็นหมาบ้าอย่างนั้นจะไม่ใจเอีอ่ยเวลามันไปกัดใครแล้วไปพูดอะไรเพื่อไปปลาหมาท่านผู้ใดก็ตามให้ย้อนเข้ามาหาตัวเองดูที่ใจในเมื่ออยู่ที่ใจหลายครั้งต่อหลายหนะใจของเรามื่ก่นนั่นแหละนะตัวหมาบ้าก็จะสํานึกได้เออทําไมเป็นอย่างนั้นได้นะใจของเราเนี่ยแหละต่อไปใจของเราก็จะได้สํานึก อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรแปลว่าสติของเราทันแล้วนในเมื่อสติของเราทันแล้วน ะ, ะมันจะคิดอย่างนั้นไปคิดได้ยังไงประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้สอนเราออพอคิดถึงหลงตาหม า, หาบัวไปประมาทท่านล่ะตามไม่จริงท่านทําอะไรให้กับเราท่านไม่ได้ทําอะไรให้กับเรามีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมูเห่เรา แต่บางสิ่งบางอย่างใช่เราไม่เห็นด้วยด่ชนงไม่เห็นด้วยก็เถอะในสิ่งนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ท่านทำลงไปนั้นเรามีดีอะไรเรามีดีจุดไหนดีกว่าท่านอย่างนั้นใช่ไหมเอามาที่นับหนึ่งสาใส่กันสิท่านกับเราอันไหนดีกว่ากันสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราถ้ามันจิตประเภทอย่างนั้นมีนะเออมันมีถ้ามันมีรให้พวกท่านทั้งหลาย หาเหตุผลหักล้างถ้าไม่พวกทอไม่ท่านพวกท่านไม่หักล้างมันอ่ามันจะเป็นหมาบ้ากัดแ ป, ak, <c oughs> ปดดกไปเรื่อยมันไม่เห็นโทษตัวเองในการที่ไม่เห็นโทษตัวเองนั่นอ่ามันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรถ้าไม่เห็นโทษตัวเองถ้าไม่เห็นโทษตัวเองนั่นนะมองดูสิข้ามีดีอะไรถ้ามันเห็นโทษตัวเองจะรู้จักวิธีการแก่อแก้แก้ตัวเองหัก ลำตัวเองอพอมันจะคิดปุป๊บมันก็หากล้างพ้นพอเราได้คิดถี่ทุกคนไว้แล้วนในสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมูพกเพื่อนนี้นเป็นเครื่องตัดรอนทางด้านจิตใจของมนเหมือนกันน ะ, ะมันตัดมันตัดใจของเราให้ไปในทางกิเลสโลภโกรดหลงถ้าเราปล่อยไปตามกระแสมันอย่างนั้นมันไม่เป็นผลดี มีแต่เสียเหมือนกับสนิมสนิมกัดกร่อนกัดเหล็กอย่างนั้นแหละมันไม่สนิมมันไม่เป็นประโยชน์สําหรับเหล็กมันมีแต่โทษเท่านั้นเองสนิมเกลืสนิมละเอียดถ้าสนิมละเอียดก็ยังเสียอยู่ถ้าสนิมเกลือเราไม่ต้องว่ากันพอมันกัดเห ล, ล็กเข้าไปเป็นหลุมเลยเสียหายผลราะนี่นลเล็กต่อนอันนี้ก็เหมือนกัน กิเลสภายในใจของเราถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ขะไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างไม่ได้อาน้ามันฉโลมสเสนอหน้นก็จะกัดกัดเหล็กกว่าจะรู้กว่าจะรู้ได้มันเหล็กของเราใจของเรามันเสียศูนย์ไปมากต่อมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู้พกเพื่อนสังเกตดูดูใจของตนเองนะ และก็พร้อมกันการอยู่ด้วยกันมากน้อยผมไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างผมถือว่าเป็นลูกเป็นลูกๆูกของผมทุกองผมเคยพูดกับหมูพวกเพื่อนไม่รู้กี่ครั้งทามีอะไรมีอะไรขาดหรืออะไรในปัจจัยสี่บอกมาเนอะร์เพื่อจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร พวกท่านทั้งหลายบอกมาร์เน่ซิ่งเหล่านี้ผมปวัณ น, า, น า, เาเพราะว่าผมเป็นเจ้าของอสถานที่แล้วเป็นพวกท่านทั้งหลายถือว่าอาจารย์โยเมฟันเตโฮยขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ า, าผมกล่วว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นสัตถิงวิหารเล็กใครเขา้าเป็นลูกศิษย์ให้นิษ ผมเป็นอาจารย์ให้นิสัยเป็นผู้แนะนาสั่งสอนเพราะนั้นสิ่งอันไหนก็ตามในปัจจัยสี่ถ้าขาดเหลือขาดตกสิ่งไหนผู้ที่ผมจะต้องดูแลผมจะต้องดูแลพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการเป็นอยู่ถ้ามีอะไรผมจะช่วยเต็มที่ถ้าผมช่วยไม่ได้ผมก็หาคนอื่นไปหาวิธีการอย่างอื่น เข้ามาช่วยเพื่อให้ท่านพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบผาสุกตามอัตภาพ น, ะนั่นแหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่พวกท่านเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยผมเป็นห่วงท่านเองเท่านั้ผมเป็นห่วงอยากจะให้หมูพกเพื่อนตั้งใจค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเราจะยึดอะไรกรรมฐานอันไหน เป็นหลักก็ให้ยึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวแต่ผมกดเน้นแล้วย้ําอีกให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะเนอะพอเราเข้ามาศึกษาในขณะนี้เรามาศึกษาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่น เราไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวสายอื่นสายอื่นที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้เราเอาไว้ก่อนยกใส่หัวเอาไว้ก่อนเราจะเอามานำมาปฏิบัติเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในสายแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเราก็พไปยาำฝืนใจของเราถึงเราจะเคยชินมระานนู้นก็เถอะ ถึงเหมือนเราเคยชินกับการปลูกยางพาราของเรเคยชินกับยางพาราแต่เข้ามาแนวแถวหลวงปู่มัน่นท่านให้ทำหํำนาเราจะไปพูดเรื่องยางพาราได้ยังไงพูดก็ไม่ใช่เรื่องเราก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องการทํานาจะทํำยังไงจึงจะมีข้าวมีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ในการทํานา นี่แหละอันนี้วิชาอย่างอื่นก็เหมือนกันอ่มันมีวิชาต่างเยอะแยะอันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกท่านสอนไว้ตั้ง 84% 00มพันพระธรรมมหากันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิอย่างที่ผมยกแล้วยกอีกแต่หลวงปูมั่นท่านให้ยึดการภาวนานคือสมัทฐจะทําเป็นจิตใจให้สงบ หือเป็นสมาธิจะทํายังไงจิตใจเจงจิตเป็นสมาธิท่านก็ให้ภาวนาพทุทโธยึดพุทโธเป็นหลักเป็นแนวทางนี่แหละอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ควรจะยึดตามแนวแถวที่องค์หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนให้ภาวนาพทุทโธในอริยบทสยืนเดินนั่งนอน ให้อยู่ให้อยู่ในอริยบทคือทาสมาธิยืนเดินนั่งนอนยืนทำยังไงแต่ในแนวแถวขององค์หลวงปู่มัน่นองค์หลวงตายืนก็ได้แต่ว่ายืนต้องมีหาบที่พิงข้างหลังในครั้งพุทธการก็ทั้งจะมีต้นไม้แล้วก็มีเสาหรือมีหลัก แล้วก็มีแผ่นกระดานแล้วก็ยืนพิงแผ่นกระดานาทำไม่อันนี้ก็คือคนที่ชอบง่วงถ้าหาวา ม, มันง่วงมันจะล้มทั้งยืนนี่แหละมันยืนขึ้นมามันก็แก้ง่วงได้แต่โดยมากแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านไม่นิยมในการยืนยืนภาวนา เพราะว่ามันโยกเยกถ้ายืนธรรมดาเนี่ยโคลงเคลงท่านจะไม่ค่อยนิยมในการยืนและก็ไม่นิยมในการนอนภาวนาในการนอนภาวนาท่านนอนได้แต่นอนมันหลับโดยมากมันหลับแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาภาวนานอนเนี่ยท่านไม่หลับกําหนด ไม่ให้หลับไม่หลับตาใสาแป๋วพิจารณาเนี่ยการนอนอนอนถ้าปล่อยพอปล่อยจะให้หลับเมื่อเขาปล่อยพอปล่อยแล้วก็หลับพล่พอยไปอพอหลับพอตื่นปอกขึ้นมาพทุทโธมันอยู่ที่ปลายจมูกทันทีเลยเพราะว่าการนอนก่อนที่จะนอนแล้วก็พุโทโธพุดโธพุดโธปล่อยให้เบาเบาเบาบ า, บาไปาไม่ดูไม่แพงมากาจากนั้นก็หลับ พอหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมากมันเห็นพุทโธก่อนเห็นลมหายใจเข้าออกก่อนนะอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกหัดในการนอนนะแต่โดยมากพอนอนไปก็หลับปล่อยตื่นขึ้นมาก็งัวเงียนะเป็นอันนัเป็นส่วนมากแต่ที่ท่านพูดให้ฟังในะคืนะบางครั้งนั้นภาวนานะจะติของท่านดนะีอันนี้ก็คือการนอนนอนภาวนา ก็มีอยู่แต่โดยมากมีแต่นั่งกับเดินโดยมากมีนั่งกับเดินแล้วอาการนั่งนั่งภาวนาอันไหนเป็นการมันเคลื่อนไหวในขณะที่นั่งถ้าจะดูที่หัวใจมันเต้นเนี่ยหัวใจที่มันเต้นหัวใจมันทำงานจะตึกตึกตึ ก, ต, กตึกตามจังหวะออกมา อันนี้คือคือหัวใจแต่นี่ก็มองเห็นได้ยากเพราะมันเต้นอยู่ในมันส่วนลึกแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะพราะมันเห็นได้ชัดบางคนงกําหนดลมก็ยังไม่เห็นลมอีกตางหาไม่ต้องพูดถึงหัวใจเต้นตขนาดลมอ ย, อยู่ที่ปลายจมูกแท้ๆก็ยังมองไม่เห็น ยังไม่เห็นลมอีกแล้วจะไปเห็นหัวใจเต้นได้ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรากำหนดแต่ถึงยังไงเราจะกาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็พยายามหายใจสืบลมหายใจเข้าแรงๆเพราะเราจะได้เห็นว่าลมมันเข้าที่ไหนแล้วก็หายใจออกแรงๆกระแทกออกแรงๆลมมันออกที่ไหน จากนั้นเราก็พยายามหายใจแรงๆสองสามครั้งกระแทกออกแรงๆสองสามครั้งจากนั้นเราก็พยายามปล่อยปล่อยตามสภาพหายใจเข้าตามปกติหายใจออกตามปกติมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็คือวิธีการกำหนดลมคือเรากำหนดเรากำหนดลม ถ้ามันเป็นอย่างนั้นต้องตองกลแก้ไขยอย่างนี้ทามันเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขยอย่างนั้นแต่ทำมันเห็นอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้ า, ขาออกตามปกติอันนี้คือการกําหนดลมถ้าว่าเดิน เ, เดินเราเห็นทางเดินยังกลมทุกเส้นมีทางเดินยังกลมแล้วก็การก้าวเดินขาขวาพุ ขาซ้ายโถงปัดกวาดแต่ทางขึ้นลงพวกเราควรจะปัดกวาดนะทำความสะอาดเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันหลายๆลายองค์เนี่ยผมผมนั่งนั่งรถไปดูดูดูล่ทางเข้ากุติของแต่ละองค์ดูดูนะผมอ่านจะไม่เห็นกุติแต่ละองค์อืมแต่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันไปจะไปนอนกุติเดียวกันไม่ได้นะ ห้ามนอนกุฏิเดียวกันเป็นพระต้องอยู่คนละกุฏิมีไหมนอนกุฏิเดียวกันมีไหมผมอยากจะรู้เหมือนกันนะทำไมถ้านอนกุฏิเดียวกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระพระกรรมฐานกลัวยังไงกลัวทำไมกลัวอะไรกลัวตายใช่ไหม ทำไมกลัวตายจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มาฝึกหัดเป็นพระกรรมฐานกลัวตายแล้วจะไปเจอคุณงามความดีอย่างอื่นได้อย่างไรมันมีอะไรในวัดของเราจึงกลัวตายอยู่ที่อื่นไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ที่วัดมันตายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็นตายด้วยการทางนานพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัว อยู่ในวัดเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์รงเป็นผู้แกล้วกล้าองค์อาจกล้าหาญประเชิญคุณงามความดีทุกอย่างไม่ใช่ว่าทำอะไรหลอะลาะหลบหลบลีดลีดีดเ ล, ล, ล, ล, ลีกเล่นเล่นอันนั้นไม่ใช่พระกรรมฐานกรรมฐานต้องเป็นผู้แก ล, ล้วกล้าเชื่อมัน่น ในทำคําสอนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเพรา ะ, ะนั้นพวกเรานะอยู่ให้กุตินะทความสะอา ด, ป, ดปัดกวาดให้สะอาดน่แหละคือสีลายจารวัรความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกท่านแต่พวกท่านอยู่แบบเศร้ามองหลบหลีกเร่ง แบบอยู่แบบไม่โปร่งใสอยู่แบบไม่ประเชิญต่อความผูกต้องอันนั้นแปลว่าไม่ใช่พระพวกท่านเป็นกาฝากพูดอย่างนั้นได้เป็นกาฝากของวัดเป็นกาฝากของพระพุทธศาสนาเป็นกาฝากของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาทั้งที่ชีวิต ไม่กล้าไปเชิญความจริงมันไม่ได้นะต้องนะต้องสู้นะอยอมอดอดดูสิตายเป็นตายอดนอนผอนอาหารดูสิเป็นยังไงภาวนาดูสิเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอยู่แบบชังกระตายเป็นวันๆไม่มีจุดหมายปลายทางผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะหมูพกเพื่อนน้องนุง่งลูกหลานทั้งหลายนะให้ตอกุัตงใจนะภาวนานะ นี่แหะการเดินจงกรมมีทางเดินกมปัดกวาดถ้ามันเป็นทางกรุ๊กระหาไม้อะไรไปทบุทบๆให้มันเรียบหรือเอาจอบไปให้เด็กใครก็ได้โยมใครก็ได้ไปถากให้มันเสมอแล้วก็ถมดินให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดิ น, ก น, น, กดนตกแต่งทางเด้นจงกรมให้ดีจากนั้นก็เดินเป็นชั่วโมงวันหนึ่งเราเดินกีครั้ง วัดให้เราจะเดินสองชั่วโมงสาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดินจุดเทียนแล้วก็เดินขาขวาพทุทขาซ้ายโธพุทโโธพุทโถพุทธโพุทโถอ่าอันนี้คือชีวิตของพระพอเดินโยกรมเสร็จแล้วมีสติอยู่การเดินขึ้นมานั่งไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปโนโ เสร็จแล้วก็แผ่เมตตายอย่างที่พวกเราทําเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็นั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าอย่างที่ว่าหายใจออกอจับลมหายใจเข้าออกทดลองด้วยสิเอาให้จริงจังและจริงใจจากนั้นก็นั่นมันจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเป็นสมาธิแล้วนั่นแหละ ความเชื่อมั่นความเชื่อในใจของเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสุขมันจะเชื่ออยู่ส่วนลึกของใจเลยทีนียอมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะ่ยโอ้ท่านฉลาดจริง อ, อแต่เราตะก่อนทําไมเราจึงโง่นะักออแต่บัดนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยฉลาดท่านแนะนําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็น ต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาทำไมท่านจึงรู้ได้เห็นได้อย่างนี้นี่แหละเราจะยกมือไหว้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยไมกดาดโดยความตั้งอกตั้งใจเพราะว่าเราเห็นผลในตัวของเราเองนี่แหละอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนจริงจังและจริงใจงอย่างนั้น ในการบวชในคราวนี้ครั้งนี้นะอย่าไปทําแบบเลาและแน่แไม่ได้นะเราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าก็เหมือนกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันดีเข้ามาศึกษากับผมนมนานสิ่งไหนที่มันไม่ดีพาหมู่พาเพื่อนหลบห ล, ลีกเลีลล่ยงว่าเป็นเป็นผู้ฉลาดพาพวกน้องๆที่เข้ามาใหม่แต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นแะ่ะ ต่อไปทั้งหลายจะหาความเชื่อถือไม่ได้พวกท่านทั้งหลายบอกเยี่ห้อตัวเองแต่สมัยอยู่กับครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายอย่าว่าตัวเองฉลาดนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความโงส่สุดๆถ้าพวกท่านทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมสอนผมสอนให้ต่อตรงต่อหลักธรรมวินัยตรงต่อการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระที่สมบูรณ์ เป็นพระอยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยนี่นะอันนี้ก็คือสอนเรื่องศีลและวินัยแล้วก็สมัติธรรมจิตใจให้สงบนั่นคือสมัติรรือสมาธิในพรรษานี่เพียงจิตใจรวมเป็นสมาธิได้ผมเองก็เป็นที่พอใจดัน้การแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหรือนับหมู่พวกเพื่อนน้องนุ่งทั้งหลาย เข้ามาสู่วัดวาศาสนาผมก็พอใจในการทําสมาธิของหมู่พวกเพื่อนแต่เรื่องศีลเท่านั้นผมยังไม่พอยังไม่พอใจเท่าไหร่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบไม่ผิดต่อกฎระเบียบไม่ผิดต่อหลักพระธรรมนิดผมก็ยินดีในระดับหนึ่งพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายพร้อมที่จะหันเหตีกลับได้ไง่ายๆ เพราะเหตุไรเพราะว่าเรื่องศีลและวินัยนี่มันเป็นศรัทธาแต่เรื่องสมาธิมันออกไปต่างทางด้านจิตใจถ้าเป็นสมาธิจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจผ่านความสงบแล้วจิตใจซึงเห็นในความสงบเห็นความสุขในความสงบอันนั้นถอนได้ยากพูดอย่างนั้นได้ถึงจะออกไปเป็นเป็นฆราวาสญาติโยมกี่ปีตัวกี่ปีก็เถอะ ก็ยังซึ่งยนตในจิตในใจ เ, เรื่องสมาธิในจิตใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองผมจึงเน้นเรื่องสมาธิในเมื่อเดินสมาธิได้เป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเดินทางด้านปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาตเิเกิดมาเป็นธรรมชาติ แกเป็นธรรมชาติเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมชาติตายเป็นธรรมชาติทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเป็นธรรมชาติาแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นในหลักธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเกิดอีกคำว่าเกิดอีกคำนี่แหละ เ, เราสะดุดเพียงแต่ ว, ว่าตายตนเองแต่ว่าเกิดอีกเนี่ย เ, เราสงสยัยนะ ถ้าว่าเราจิตใจผ่านสมาธิมาจิตใจผ่านความสงบมาเราจะเชื่อมั่นเลยใช่คาว่าตายแล้วเกิดแน่นอนเราเชื่อในเชื่อในตัวของเราเองเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าตายแล้วเกิด เ, เมื่อสมาธิเราผ่านสมาธิจิตใจใกายกับใจใจกับกายรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ เมื่อเราเห็นแล้วทั้งสองอย่างจงสองเงื่อนจากนั้นเราเอานามะธรรมามาพิจารณา ร, ปปรูปธรรมเอาใจมาพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นแจ้งตามความเป็นจริงกายที่ยังไงก็ไม่ อ, อจะอุปโลกยังไงก็ให้ไม่ถึงร้อยปีพันปีแลแต่ตายสลายแนย่ๆใจอยากจะอุปโลกให้เป็นบุคคลสําคัญ สูงสงข น, ขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบนี่แหละในเมื่อใจเราพิจารณาเห็นอย่างนี้นะจากนั้นก็นย้อนมาหาตัวใจอีกเหมือนกันใจของเราไปเสกไปสันไปปลูกเสกให้เรื่องนั้นเปียงนั้นตรวนี้ไปนะมีแต่ใจของเราเป็นต้นเหตุเป็นต้นเรื่องเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้าของเรื่องของกิเลส อไปขอพบขอชาติออกไปจากใจดวงนี้ทางนั้นย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอีกจะนหนเมื่อเมื่อเอาสติเอาปัญญาเข้ามาเจาะลงที่ใจเมื่อเห็นใจของตนเองอตัวนี่แหละตัวก่อพบขอชาติจะในไปเกิดในภพภูมิต่างๆมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าเมื่อเราเห็นจุดนี้แล้วมันจะปล่อยวางะออมันเห็นต้นตอของมัน จะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดเรื่องอะไรเห็นในใจของตัวเองเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในใจของตัวเองนั่นแหละแทเนีิเงเมื่อเห็นรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ถ้าไม่ปล่อยไม่วางพรกพุทธเจ้าให้ปล่อยวางนะมาถึงจุดนี้ให้ปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะอย่าไปให้ความสำคัญมันนะฮะมันเห็นไหมอย่างที่เห็นเห็นมานะมันเป็นอย่างที่ ถ้าทาคำสอนหรือพ่อแม่คุณภยูยอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไหมมันเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกกล่าวทั้งหมด ย, ยอมรับสีโลราบเลยยอมรับเลยในเรื่องนั้นๆนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาตามที่ผมกล่าวหรือผมพูดไม่ใช่ว่าจะให้ตามเปี้ยทุกอย่างก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่นี่ผมเพียงติดชี้หนทางให้ดู แนวทางให้ดูและพวกท่านจะเดินอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้ค้นคว้าแนวในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นกันนั้นตามสายแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ท่านได้สอนไว้ได้ได้ศึกษามาพวกเราท่านทั้งหลายก็นำมาประพฤติปฏิบัติแต่ผมเพียงแต่ชี้แนวทางให้ท่านเดินอย่างนี้นะท่านคิดอย่างนี้นะ ท่านปฏิบัติตนอย่างนี้นะนการเข้ามาบวชต้องวางตัวอย่างนี้นะต้องปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมอย่างนี้นะต้องซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบหลับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีแต่ผมบอกแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาดูแล้วว่านั้นนะ่ะนำมาประพฤติปฏิบัติผมมั่นใจ แที่ผมแนะนำบอกกล่าวไปนี้อันนี้คือแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวประทรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแนวมรรคผลนิพพา น, นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือเบื้องแรกการเป็นอยู่ความนึกคิด ความนึกคิดแบบประเภทหมาบ้ามันก็มีอันนั้นหยาบเรื่องหยาบมากเราต้องถึงจะหยาบก็เถอะเราต้องหาสิ่งหักล้างหักล้างในความรู้สึกนั้นในเมื่อหักล้างเราหักล้างตัวนั้นอยู่แล้วนะจากนั้นเราวางตัวเราวางตัวเราจะนึกคิดยังไงการดําเนินการปฏิบัติตนอย่างไรอยจะให้พวกเราศึกษา ในแนวทางการปฏิบัติตนจากนั้นก็เดินสมร tha สมาธิทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็เดินให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือวิปัสสนาการนึกคิดเห็นหาหลักเหตุผลเข้ามาหักล้างทางด้านจิตใจเห็นอันเนื่งจากทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายเกิดแก่เจ็บตาย เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็มาสู่จิตใจใจของเรานะไปหลงไปหลงเรื่องต่างๆไปหลงเรื่องราวต่างๆสรุปแล้วคือหลงเงาตัวเองหลงเรื่องของตนเองนะวันนี้ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะตั้งใจภาวนาในพรรษานี้อันนี้เข้าเดือนที่สองแล้วนั่นไอถล้ำเข้ามาเดือนที่สองสองสามวันแล้ว วันสองวันนะอยากจะให้หมูพกเพื่อนอย่างน้อยก็ให้ผ่านความสงบแต่ริมรถแห่งความสงบได้ริมรถสมาธิอัปปนาสมาธิในพรรษานี้เพียงขนาดนี้ผมก็เป็นที่พอใจแต่เรื่องกฎระเบียบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีลที่ผ่านๆมาผมก็ไม่ได้ตำหนิหมูพกเพื่อนน้องนุ่มลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ให้หมูพวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจใภาวนาการบวชมาคราวนี้ครั้งนี้เราไมา่ได้บวชเพื่อเล่นเล็ด<ๆ>มาอยู่ในป่ารงพงไพอดนอนผ่อนอาหารชั้นมื้อเดียวต่างหากเพราะนั้นเราต้องเสียสละมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้แท้อย่างแท้จริงแต่พวกเราที่พูดที่จะมาบวช จริงจังื่อจริงใจไม่มีพันธะภาระพวกเราก็ควรจะทุ่มเทอย่างสุดๆเหมือนกันอย่างที่ผมเคยพูดถ้าว่าพวกเราไม่ทุ่มเทนะจิตใจยังเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เออมันจิตใจมันรวนเลเลลวนรวนเลยอันนั้นหากฎเกณฑ์มาได้ตาท้งเลยข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่น ระลึกได้เรื่องอไรระลึกได้พอ ด, ดีข้าพเจา้าขอมอบกายตวัดชีวิตจนไม่มีระหว่างเป็นอาจินตลอดไปให้แน่วแน่คำว่าลาสิกขาหรืออะไรไม่มีในใจของข้าพเจา้าชีวิตทั้งชีวิตนี้มอบไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเรามั่นใจถ้าผู้ที่จะหวังพ้นทุกข์จริงๆ ว่าพวกเรายัางหลอกได้แหละหลอกๆเลยแหละไอ้มันหากฎเกณฑ์ไม่ได้นะเดี๋ยวกฎนั่นนะมีที่ลับมีที่แจ้งแล้วก็หาความสงบสุขไม่ได้ทางด้านจิตใจเพราะห้หลายเพราะจิตใจมันหลอกตัวเองอยู่ตลอดเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะให้พวกเรามั่นเชื่อมั่นตั้งมั่นอุทิศตนด้วยความตั้งใจด้วยความมั่นใจ นั่นแหละมรรคผลนิพพานจะเข้าสู่อยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยพูดอย่างนั้นได้นะอแต่วผมพูดไม่ต้องสงสัยแต่พวกท่านอาจจะสงสัยแต่ถ้าว่าพวกท่านปฏิบัติอย่างที่ผมพูดแล้วพวกท่านจะหายสงสัยเองพูดง่ายๆพูดได้อย่างนั้นนะตอนนี้ไปนั่งสมาธิก่อนนะก่อนเลิกกันนะ